จันสุรพลามาดูแล้วนะโอเคนะจันทำได้ดีอะลงดุลงแรงมากเลยเร่อนี้เร่อนี้คุณจันกลัวเลย้ใหญ่ห <c oughs> <c oughs> นังสือรวมคำสอนหลวงพ่อจากซีดีหลายสิบแผ่นจันสุรพลกับครอบครัวนะกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยช่วยกัน <c oughs> ประมวลให้นมานประมวล ช่วยกันศึกษาไว้ดีแล้วนะแล้วก็จะได้รักษาสืบทอดธรรมะไว้ของปลอมมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วที่ผ่านมามันก็มีแต่เรื่องติดสมถะพอหลวงพ่อประกาศเรื่องดูจิตออกมาคนสนใจดูจิตเยอะแยะตอนนี้พวกสมถาก็แฝงเข้ามาในการดูจิตอีกสอนดูจิตแล้วมันก็กลายเป็นสมถะไปอีก เช่นสอนให้ไปดูความว่างสอนให้ไปหยุดคิดหยุดนึกให้อยู่ในความไม่มีอะไรเลยหรือเพ่งจิตให้นิ่งนี่เหล่านี้ไม่ใช่การถูดจิตตบนะเหลนี้เป็นการเพ่งอรูปเพ่งอรูปจิตมันเป็นอรูปชนิดหนึ่งนะอรูปการเพ่งอรูปก็เป็นอรูปประชานเป็นสมถกรรมฐานอีกแบบหนึง่ง อย่างแต่ก่อนพวกเราหลายคนส่วนมากนะภาวนาโดยรู้กายรู้กายก็เพ่งกายกายมันเป็นรูปแล้เพ่งกายก็ได้รูปประชานมายุคนี้คนนิยมดูจิตก็ดูจิตกันใหญ่ดูแล้วไม่ถูกหลักนะก็ไปเพ่งจิตก็ไปเพ่งอรูปก็เป็นอรูปประชานสุดท้ายนั้นฤาษีมันจะชนะอยู่เรื่อยนะย ก็มันง่ายมันง่ายมันสนองกิเลสเพ่งแล้วมันมีความสุขอะเพ่งแล้วมันสงบเพ่งแล้วมันเหมือนมันเที่ยงมันมีความสุขเหมือนเราเก่งเราบังคับได้ใช่หมใครๆก็อยากให้เที่ยงนี่ไหมอยากมีความสุขอยากเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าประกาศอนิจจังทุกขังอนัตตาหมมันฝืนความรู้สึกขนาดเริ่มปฏิบัตินะเริ่มเห็นความจริง ว่าตัวเราไม่มีนะหลายคนยังทนไม่ได้เลยว้าวเวใจนะบางคนกลัวบางคนรู้สึกว้าวเวเว่องว้างบางคนรู้สึกเบื่อนายสุดขีดเลยชีวิตนี้ตัวเราหายไปเพราะเรารักตัวเราที่สุดเลยคำสอนอะไรที่เซิฟความมีตัวเรานะเป็นคำสอนที่มีพลังเข้มแข็งเหลือเกินพร้อมจะครอบโลกครอบจิตใจของเรา คำสอนใดที่อาชีให้เห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะเสียงอ่อยๆนะนานๆจะมีคนเสียงแข็งขึ้นมาสักทีหนึ่งก็อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็อ่อยๆไปอีกนะกระแสของความมีตัวตนมันรุนแรงเพรฉะนั้นอย่างหลวงพ่อให้ดูกายดูใจนะมีสติลงมาเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เรานะดูไปเจนกระทั่งแม่นไม่ยึดถืออะไร ไม่ยึดถือทั้งกายทั้งใจคือไม่ยึดทั้งรูปทั้งนามเอาเข้าจริงนลก็ไปสอนต่อๆกันไปอีกนะเปิดสํานักสอนก็มีนะเยอะแยะเลยทั้งพระทั้งโยมนะั่นแหละสอนให้ไปเพ่งจิตเวลาเราดูสภาวะธรรมแล้วพอสภาวะมันเคลื่อนออกไปนะั่นเราก็ตามดูไปครับออกไปอยู่ข้างนอกนะสังเกตไหมเวลาที่เรารู้อะไรต่ออะไรเนี่ยจิตเราจะเคลื่อนออกไปข้างนอก เวลาเราดูสมมติดูพระพุทธรูปอะไงจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่พระเราดูใครต่อใครนั่จิตมันก็เคลื่อนไปเวลาเราดูจิตจิตเรื่องเคลื่อนไปเหมือนกันเคลื่อนไปดนะูงั้นทันทีที่เราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจดูพวกเรารู้สึกไหมเราตั้งใจปุ๊บขึ้นมานะเราจะเริ่มแสสายออกไปแล้วว่าจะไปดูอะไรดีนึกออกไหมเริ่มไปดูดูเอ๋อเอาวันนี้แหละจ้องไว้เนี้ยจิตออกนอกเรียบร้อยแล้วนะ ทรงจิตไปดูไม่ใช่ดูจิตพอสภาวะทั้งหลายนะเราไปดูมันเข้านะแล้วไม่ได้ไปทําอะไรมันมันจะดับอดับแนละ้วมันจะว่างๆคราวนี้ว่างๆแล้วนะจิตมไม่ได้ย้อนเข้ามามันว่างอยู่ข้างนอกจิตก็เลยไปติดความว่างอยู่ไปเกาะไปเกี่ยวอยู่ในความว่างนี่ก็คิดว่าโอ้ตรงนี้เราไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขล้วนๆสุขไหมสุขทําไมสุขถาวร อ, อยู่ยงนนนนั้นนานงั้นก็มันเป็นอรูปฌาน ไปเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปพอแล้วจิตมันไหลเข้าไปเกาะอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็เป็นสมถะบางคนก็อยากไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนนะัเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเล ย, ยงั้นหลวงพพยายามบอกหลักของการปฏิบัติพวกเราฟังแล้วก็จําไว้นะอาจารย์สุรพลก็พยายามเป็นคนหนึ่งที่พยายามที่ช่วยอย่างน้อยก็เล็กคอร์ดเอาไว้ประมวลเอาไว้นะ ว่าหลักแห่งการรู้จริงๆมันเป็นยังไงลําพังหลวงพ่อประกาศธรรมะนะธรรมะไม่กว้างกวางอย่างนี้หรอกแต่คนช่วยหลวงพ่อประกาศเนี่ยมีเยอะบางคนก็ช่วยกันทําซีดีนะแต่เดิมในโยโยทําอยู่คนเดียวโยโยทําซีดีออกมาแล้วก็ขอแจกพักพวกทีแรกอ่านไว้ฟังเองนะขอแจกเพื่อนๆกัน พออนุญาตให้แจกเพื่อนนะโยก็เลยไปใส่เพลงของตัวเองไปได้วยมีเพลงห <c oughs> อม อ, อันนี้ไม่มาดังตรินแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งนะโยโยเอามาร้องแล้วก็ไปใส่ไว้ท้ายซีดีหลวงพ่อนะอ่แผ่นนี้ก็มีเอาแผ่นนี้ก็มีอีกแล้วร้องอยู่เพลงเดียวแหลนะเป็นนักร้องแบบดังด้วยเพลงเดียวนี้แหละนี่พอมันกว้างออกไปกว้างกว้างออกไป อีกพวกหนึงก็ทำอินเทอร์เนต็ตทำเว็บเว็บไซต์วิมุตวิมุตดอทนตใช่ตอนนี้มีเว็บไซต์ที่เอาไฟล์หนังสือไฟล์เสียงหลวงพ่อไปขยายต่อ น, นี้ไม่รู้กี่สิบเว็บไซต์เพราะไม่ได้ห้ามนะเอาไปจากวิมุตแล้วก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่ามาอัเอาไปเองนะาอาเอาไปเองนะปัญหามันเยอะ เวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเราในนี้หลวงพ่อสอนแบบเทยามให้ไม่ใช่เทกระเป๋านะพระไม่มีกระเป๋าเ <c oughs> <c oughs> นื้เทยามให้หมดเนื้อหมดตัวทรรมะบางอย่างมันไม่ควรเผยแพร่ออกไปในสาธารณะคนที่ไม่เข้าใจจะเข้าใจผิดได้เราอวดอุตริอะไรต่อไปมันอวดตรงไหนว่านึกไม่ออกะถ้าเราพูดของจริงๆล้วนๆไว้ นั้นมีเว็บไซต์เอาไปจากวิมุติเนี่ยต่อตอไปนะมีเป็นสิบเลยหลวงพ่อเคยไปเซิร์ชดูนะีเยอะมากเลยไม่ห้ามหรอกอย่าไปทําขายเท่านั้นแหละมีในประเทศต่างประเทศเลยเยมื่อเลยกลายเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นกระบวนการไม่มีการจัดตั้งนะไม่มีการจัดตั้งไม่มีใครมาขึ้นทะเบียนก่หลวงพ่อเลยว่าเนบสังกัดหลวงพ่อนะมีแต่ว่าทํากันเอง ต่างคนต่างทำต่างคนช่วยกันประกาศธรรมะมันกว้างขวางไปแบบเป็นธรรมชาตนะิตอนนี้กว้างขวางไปนะลงไปถึงรากหญ้าละ ต, ตามร้านชำ้ำตามอะไรเนี่ยนะมีคนเปิดซีดีหลวงพ่อฟังทั้งวันเลยตอนนี้ทั้งวันทั้งคืนมีคนเปิดตลอดเมื่อวานก็มีคนเขียนจดหมายมาจากสวิตเซอร์แลนดะ์เขียนมาขอบคุณหลวงพ่อเนะียภาวนามาหลายวัดแล้วนะ เครียดตลอดเลยไม่เห็นมันจะมีความสุขตรงไหนเลยลูกชายไปดาวนโหลดที่หลวงพ่อเทสนะจากวิมุตเอาไปให้ฟังนะฟังฟั ง, ฟ, งฟังอยู่ไม่นานนะใจมันตื่นขึ้นมามันเห็นเลยความทุกข์มันตกหายไปรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยของจริงมีจริงๆตามรู้ตามดูมีสติขึ้นมาแล้วมันพ้นทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ไปบังคับตัวเองเลยเขียนจดหมายมาขอบคุณไอ้จดหมายขอบคุณนี่มีเยอะมากเลยนะ แต่คงน้อยกว่าจดหมายลูกโซ่เด er e <live h orden> <captain> <ter> ี๋ยวต่อไปถ้าใครได้รับจดหมายขอบคุณหลวงพ่อแล้วต้องส่งต่อสิบใบไม่งั้นโชคร้ายถ้าส่งแล้วจะโชคดีอย่างนั้นอย่างเงี้ของโกหกนะเชื่อมันปีใหม่น่จดหมายลูกโซ่เยอะงั้นธรรมะนะธรรมะเราช่วยกันเราเรียนแล้วเรารู้เรื่องเราก็ช่วยกันประกาศออกไป ธรรมะที่หลวงพ่อประกาศออกไปเนี่ยนะมันทําให้คนพ้นทุกข์จริงๆนะมันทุกข์น้อยจริงๆเฉะนั้นเรารู้เลยว่าธรรมะอะไรมันของจริงของปลอมนะพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเรารู้ด้วยตัวของเราเองได้แค่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆนะเราจะพ้นทุกพ้นจริงๆนะกล้ารับรองเลยและพ้นในเวลาอันสั้นด้วยเบื้องต้นเคยทุกข์หนักๆก็จะทุกข์เบาๆเคยทุกข์นานๆก็จะทุกข์สั้นๆ เราจะพบว่าในเวลาไม่นานนะที่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็ไม่ดื้อนะบางคนเป็นชอบเพ่งก็ดื้ออยู่งั้นแหะบางคนก็คิดมากมีสองตระกูลพวกเรื่องมากเนี่ยพวกติดเพ่งกับไอ้พวกคิดมากสงสัยมันทุกเรื่องเลยศึกษาเปรียบเทียบไปทุกเรื่องพวกเนี้ยกี่ชาติมันก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไปเพ่งให้นิ่งศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คิดมากแต่ท่านสอนให้รู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริง งั้พวกเราหัดรู้หัดดูบางคนเดือนเดียวนะพบ ว, ว่าชีวิตจิตใจของตัวเองเปลี่ยนไปแล้วในห้องนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยมีเป็นพันพันหมืน่นหมื่นเลยที่ชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปที่เปลี่ยนช้าหน่อยก็พวกติดเพ่งเพ่ ง, เ พ, งเพ่งไว้เลยพวกคิดมากพวกคิดมากทนกับหลวงพ่อไม่ได้นานอ่ะมันจะมาถามอะไรหลวงพ่อก็บอกให้รู้เอาสิไม่สนองกิเลสนทนไม่ได้หนีไป ในพวกเราฝึกนะหลวงพ่อไม่แคร์เราใครจะดา่าใครจะว่าอะไรนะเราได้ประกาศธรรมะออกไปแล้วตั้งแต่พฤษจิรรากาปีไกลตั้งแต่พฤษจิรรากาปีไกลนะหลวงพ่อเริ่มพูดเรื่องอริยสัจให้พวกเราฟังเพราะจิตใจของพวกเราเริ่มพร้อมละก่อนหน้านั้นเรายังไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องอริยสัจกันพอามาถึงพฤษจิรรากาปีก่อนเนี้ยจิตใจของเราที่ได้ฝึก อบรมมาช่วงหนึ่งเนี่ยมันพัฒนาขึ้นพอที่จะฟังเรื่องอริยสัจได้หลวงพ่อก็พูดเรื่องอริยสัจให้ฟังแต่แต่พูดอริยสัจให้ฟังหลวงพ่อรู้สึก ง, งานของหลวงพ่อเสร็จแล้วางานที่เหลือนี้เป็นแค่คอยเชียร์ให้กําลังใจพวกเราให้รู้แจ้งอริยสัจหากเจริญสติไปนะวันหนึ่งจะรู้แจ้งอริยสัจถ้าไม่มีอริยสัจก็คือไม่มีศาสนาพุทธ ไม่มีศาสนาพุทธนะถ้ายังมีอริยสัจอยู่ก็มีศาสนาพุทธอยู่ลำพังแค่ทําความสงบศาสนาอื่นก็มีไม่จําเป็นต้องมีศาสนาพุทธเลยอริยรสัจสําคัญที่สุดพนะระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้อริยสัจจะพ้นจากความทุกข์ไม่ได้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ จะพ้นการเวียนว่ายไตเกิดเข้าถึงนิพพานได้เพราะรู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นนี่มีคําว่าเท่านั้นด้วยนะเป็นอักษรตัวใหญ่นะพิมพ์แล้วตัวโตๆสีดเส้นใต้ด้วยนะต้องรู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้อริยรสัจสําคัญที่สุดอริยสัจลึกซึ้งที่สุดนะตรับใดที่ยังไม่เข้าใจอริยสัจจะเวียนว่ายไตเกิดไม่เลิก อริยสัตว์ประกอบด้วยสภาวธรรมองคธรรมเนี่ยสีอันนะทุกสมุทัยนี่รสมักสิ่งที่เรียกว่าทุกขไม่ใช่ความทุกความทุกขที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันคือทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกขศักดิ์คุลอนกันทุกขเวทนาเป็นทุกในเวทนาหมายถึงความไม่สบายของกาย ถ้าความไม่สบายใจเ้าเรียกโทมนัตเวทนาก็จัดอยู่ในกลุ่มของทุกขเวทนาเหมือนกันแต่ก็แยกทางเทคนิคเทอมเขาแยกเป็นทุกขเวทนาทางกายแล้วก็โทมนัตเวทนาทางใจแล้วก็อยู่ในกลุ่มของทุกทุกขเวทนาเวท น, นานี่ใครๆก็รู้จักหมูๆนั่งนานๆก็เมื่อยใครก็รู้ว่าเมื่อยทุกอีกตัวหนึ่งเนะ เป็นทุกขลักษณะทุกขลักษณะเพราะความทนอยู่ไม่ได้ความถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุทําให้เกิด เ, เหตุมันไม่เคยหยุดนิ่ง mm. เหตุมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพรา้นตัวของตัวสภาวะเองนะมันจะถูกบีบคั้นไม่จะทนอยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะเหตุของมันนะเคลื่อนที่ตลอดเวลามันไม่ได้ฟิกตัวแปลต้นนะให้คงที่ได้ ตัวแปรนี่เคลื่อนที่ตลอดถ้าตัวแปรต้นมันเคลื่อนที่ตลอดนะตัวแปรตามเนี่ทนอยู่ไม่ได้ยันสภาวะธรรมทั้งหลายเนั้นทนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเหตุของมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเราสมมติว่าเราทําธุรกิจใช่ไหมปีนี้กําไรใช่ไหมอีกปีหนึ่งดูสิเงื่อนไขต่างๆเริ่มเคลื่อนอีกแล้วคุมไม่ได้หรอกไม่มีใครคุมได้เช่นราคาน้ํามันจะเปลี่ยนนะเกิดชะละจนทางการเมืองอะไรเงี้ย เกิดวิกฤตนะ์เกิดประเทศคู่ค้าแอนตี้สินค้าไทยอะไรขึ้นมาเนี่ยมีตัวแปรเยอะแยะเลยที่ทําให้ธุรกิจของเราดีหรือไม่ดีปีนี้ธุรกิจดีเพราะเงื่อนไขต่างๆเอื้ออํานวยอีกปีหนึ่งอาจจะไม่เอื้ออำหนวยลนะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนให้ความไม่คงที่หรืออนิจจังของตัวปัจจัยทั้งหลายนั่นแนหะมันบีบคั้นตัวผลตรงมันนะตัวสภาวะเนี่ยมนทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขัง แล้วการที่สิ่งทั้งหลายจะมีอยู่หรือสิ่งทั้งหลายจะตั้งอยู่หรือสิ่งทั้งหลายจะดับไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราไม่สามารถสั่งอะไรได้นะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยนี่เรียกว่าอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในี่ถ้าใจของเรานะไปรู้แต่ทุกทุกทุกขังนะทุกขังทนอยู่ไม่ได้ นั่งนานๆแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยรู้ทุกขสัตว์รู้แจ้งอริยสัจคนละเรื่องกันยังคนละเรื่องกันในความเป็นจริงแล้วทุกขสัตว์เนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าสรุปไปแล้วท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ ความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ในท่านท่านชี้ตัวนี้ให้ดูก่อนว่า น, นี่คือตัวทุกข์นะแล้วท่านก็บอกว่าสังคิตเตนะปันจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปโดยสังเขปโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่ท่านพูดถึงตัวสภาวะละบรรดาความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รกักการประสบกับสิ่งที่ไม่รกักความไม่สมปรารถนาความเศร้าโศกครับแค้นใจร่นะําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเองงั้นเรารู้สึกว่าเราแก่แล้วเป็นทุกข์เรียกว่ารู้ทุกขสัตย์ยังยังไม่รู้หรอกนะถ้ารู้ทุกขสัตย์นะต้องสรุปลงไปได้เลยว่านะสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นคือรูปก น, นามมันเป็นทุกข์ ขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะแต่ขันห้าเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ยากขนาดไหนที่จะเข้าใจถามว่าพวกเราเห็นได้ไหมว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์พวกเรายังไม่เห็นหรอกเพราเรารู้สึกไหมร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมไม่ใช่ทุกอย่างเดียวนะร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง เรารู้สึกไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่ได้เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์เห็นไหมเราไม่ได้เห็นว่าขันเป็นทุกข์นะรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เราไม่ได้เห็นหรอกงั้นพวกเรายังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจนะงั้นที่ป้ารู้รู้รู้ไม่จริงหรอกยิ่งไปภาวนาแล้วใจว่างๆนิ่งๆแล้วมีแต่ความสุขมันจะไปรู้แจ้งทุกขสัจตรงไหนมันจะไม่รู้แจ้งหรอก ใ, ใจต้องตั้งมั่นนะเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากการกดข่มบังคับใช้ใจที่เป็นอิสระใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจคอยรู้กายรู้ใจดูซิจริงๆเขาเป็นยังไงไม่ใช่เพื่อบังคับเขาให้ดูลงไปกายจริงๆเขาเป็นยังไงเขาเที่ยงไม่เที่ยงนะดูซิกายมันเที่ยงไหมดูง่ายๆเห็นไหมเดี๋ยวมันหายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออก หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเห็นไหมหายใจออกก็ไม่เที่ยงนั่งอยู่นานๆก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินหรือนั่งอยู่แล้วก็ต้องนอนอย่างเงี้ยบางคนเดินอยู่แล้วนอนเลยก็มีนะประเภล้มโครมลงมาแต่ถ้าโดยสเต็ปมก็ต้องลงมานั่งก่อนจะนอนอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ละตัวไม่ไม่คงที่อะนั่งก็ไม่ได้นั่งได้ตลอดนอนก็ไม่ได้นอนได้ตลอดนะ ถ้านอนอยู่นานๆก็ควาทุกข์ก็บีบคั้นมากนะอย่างคนเป็นอัมาพาตใช่ไหยนอนนานๆเป็นแฝดกดทับนั้นทรมานตายนี่มันไม่เที่ยงนะความจริงของกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้หรอกแล้วกายนี้จริงๆเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุนะ <c oughs> เบื้องต้นยืมเซลล์ของพ่อแม่มาคนละครึ่งมาผสมพันธ์ขึ้นมาเกิด เกิดรูปขึ้นหนึ่งเซลหนรูปหนึ่งเซลความจริงหนึ่งเซลนะั้นประกอบด้วยรูปจานวนมากแล้วละไม่ใช่มีรูปเดียวรูปนีกลุ่มรูปเรียกกราบอย่างน้อยมีเจรูปอยู่ด้วยกันประชุมกันขึ้นมาถึงจะเป็นกลุ่มของรูปเล็กๆประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาติแล้วก็มีสีมีกลิ่นรวมแล้วเจอัน เนเซลยืมพ่อแม่มาใช้เซลล์ที่เหลือใช่ไหมอาศัยน้ำอาศัยอากาศอาศัยอาหารเลยเนี่ค่อยๆเลี้ยงขึ้นมาโตๆขึ้นมาวันหนึ่งก็คืนโลกไปตรงที่บอกว่าวันหนึ่งคืนโลกไปเนี่ยพูดสำหรับพวกขี้ตู่ความจริงตอนนี้ก็เป็นของโลกนึกออกไหมกายนี้ใจนี้ของโลกนะมันเป็นของโลกอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วแต่เราขี้ตู่ว่าเป็นของเรา วันหนึ่งรักษาไว้ไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วถึงยอมรับบอกว่าเออคืนให้เขาไปคืนเจ้าของเดิมเขาไปความจริงไม่มีใครครอบครองมันได้นะร่างกายนี่ที่บอกว่าตัวเราตัวเราไอสไต์เคยบอกว่าร่างกายเนี่ยมนุษย์นะมนุษย์ษเป็นแค่เศษทุลีของจักรวาลเท่านั้นขี้ผงไม่มีความหมายเลยแต่มนุษย์เนี่ยสําคัญตัวผิดว่ากูใหญ่กูใหญ่กูใหญ่ ก, หญ ก, หญกูแน่กูหนึ่งขึ้นมามีตัวมี ต, มตนขึ้นมา ไอสไตล์มันก็เก่งนะมันก็เก่งระดับไอสไตล์ไม่ถึงระดับพระพุทธเจ้าหรอกเพราะมันยังเกิดอีกว่าจริงๆก็ยังเกิดอีกฉลาดขนาดนั้ น, นพวกเราฉลาดไม่ได้ครึ่งไอสไตล์อย่านึกว่าจะเจ๋งนะพวกที่ชอบคิดมากอ่ะสู้เขาไม่ได้หรอกเขายังไม่พ้นเลยงั้นจริงๆมนุษย์เป็นเศษธุลีนิดเดียวไอสไตล์ไม่พลาดตรงไหนไอสไตล์ไม่รู้มัจไอสไตล์ไม่รู้มัจไม่รู้วิธีที่จะพ้นจากทุกนี้ ไอสไตล์รู้ว่าคนเราไปสําคัญมั่นหมายเอาวัตถุธาตุของธรรมชาตินะของจักรวาลมาเป็นตัวเราเรารู้สึกว่าตัวเราใหญ่ไอสไตล์ไม่รู้วิธีที่พระพุทธเจ้าคนพบไม่รู้มรคนั่นเองไม่รู้วิธีเจริญสติปัฏฐานไอสไตล์เลยไปใช้วิธีของคริสตมาบอกให้เรามีความรักในเพื่อนมนุษย์นะพอเรารักคนอื่นเนี่ยมันก็ลดเซลล์ลง รักไปรักมามันภูมิใจนะฉันนี่เป็นคนดีคนดีนะฉันรักคนอื่นใช่มมันไม่พ้นหรอก ไ, ได้เป็นคนดีได้แต่ไม่พ้นหรอกมรรคควิธีในเรื่องสาคัญเรื่องของการทำวิปัสสนากรรมฐานแร้่พวกเรามีบุญวาสนานะถึงเราไม่ฉลาดอย่างไอสไตไม่รวยเหมือนอะไรนะใครต่อใครที่มันรวยๆนะเราไม่รวยเท่าเขาแต่เรามีธรรมะนะ เรามีของซึ่งหายากที่สุดชื่อเสียงเงินทองนะเป็นของอยู่ในโลกคนดังคนเด่นมีทุกยุคทุกสมัยหลังแต่ธรรมะไม่ได้มีทุกยุคทุกสมัยพวกเรามาได้เกิดในยุคในสมัยซึ่งมีธรรมะอยู่นะเรามีบุญยิ่งกว่าพวกคนเด่นคนดังคนร่ำคนรวยนะอย่างคนเด่นคนดังคนร่ำคนรวยมาวัดหลวงพ่อนะเสมอกับพวกเราทุกคนหลวงพ่อไม่เคยตรีตว่า คนนี้เสรษฐีให้นั่งเบาสามชั้นอะไรย่างนี้ไม่มีนั่งเสือคนละผืนเหมือนเหมือนกันหมดใช่ไหมเนีย่ยนั่นเป็นของสมมุติของโลกรับสมบัติของโลกสมมติกันขึ้นมาคนนั้นรวยคนนี้จนคนนั้นหลอ่อคนนี้สวยอะไรอย่างนี้คนนี้น่าเกลียดพวกเรามีบุญวาสนาเหมือนเหมือนกันตรงที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วให้โอกาสกับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยการลงมือปฏิบัติธรรม มีสติรูปกายมีสติรู้ใจถือศีลห้าไว้นะถือศีลห้าไว้ศีลห้าเป็นพื้นฐานที่จําเป็นมีศีลห้าแล้วก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปวันหนึ่งจะได้มรรคผลนิพพานคนที่ไม่มีศีลห้าไม่มีวันที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยอย่างเทวทัตใช่ไ้มเทวทัตไม่มีศีลเทวทัตมีฤทธิ์มีเดชมีฝีมือมีความสามารถสูงมากนะ เทวทัตมีความสามารถสูงถ้าไม่มีความสามารถสูงไม่เป็นคู่ต่อสู้ของพระพุทธเจ้าได้หรอกนี่ฝีมือแกดีนะปลุกระดมมวลชนก็เก่งเนะนี่ย่วนคนไปเป็นสาธารสิทธิ์ได้เยอะแยะบอกเลยพระพุทธเจ้าสอนผิดยังงั้นเงีสอนแล้วย่อหย่อนไปนะต้องอย่างเทวทัตถึงจะดีอะไรเงี้ยนี่ความฉลาดความรู้ความฉลาดที่ขาดศีล น, นะใช้ไม่ได้หรอก บางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะลหลวงพ่อพร่ำสอนให้มีศีล น, นะมีศีล น, นะใช้เวลาครึ่งปีนะบางคนไม่ไหวจริงไม่มีศีลสักข้อเลยนะใจร้ายใจดำโกงเอาทุกอย่างอย่างนี้ก็อยู่กันไม่ได้สอนไม่ไหวสอนไม่ไหวก็ต้องเลิกกันไปนก็เหลือแต่วพวกสอนไหวนะพวกสอนได้ก็เรียนนะตั้งอกตั้งใจเรียนเข้ามาวันนี้พวกเราเรียนเราเอาจริงเอาจังมากนะ นี่บางทีหลวงพ่อตรวจได้ไม่หมดอย่าเสียใจนะอย่าเสียใจหลวงพ่อเห็นใจทุกคนเลยยกมือแล้วบางทีก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อไม่เห็นบ้างหมดเวลาสะก่อนบ้างบางทีไม่หมดเวลาแต่หมดแรงสะก่อนก็มีนะยังวิธีการจะทํำยังไงดีสงสัยขึ้นมานะให้รู้ว่าสงสัยไว้ดูสภาว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไปเลยไม่มีคําถามหรอก อะไรเกิดขึ้นมาในกายในใจคอยรู้สึกไปล้วนแต่แสดงตรลักษณ์ทั้งสิ้นแล้วจะถามอะไรไม่มีอะไรให้ถามหรอกคอยดูความเป็นตรลักษณ์ในกายในใจไปแล้วก็สังเกตเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งว่าใจตั้งมั่นไหมหรือว่าใจมันเที่ยวไหลไหลไปทางโน้นทางนี้นะถ้าใจไหลไหลไปถึงเห็นสภาวะอยู่ก็ใช้ไม่ได้หรอกการที่เราเห็นสภาวะเรียกว่ามีสติมีสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีใจที่ตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิด้วยฉะนั้นสังเกตสองอันหนึ่งนะ อะไรเกิดขึ้นนะรู้ลูกเดียวเลยอันนี้ไม่ผิดหรอกอีกอันหนึ่งก็สังเกตใจว่าใจเราชอบไหลไปไหลมาให้คอยรู้ทันมันไหลไปแล้วไปแช่นิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้รู้ทันมันอย่าไปดึงนะอย่าดึงคืนถ้าดึงเราจะแน่นให้รู้ว่าไหลเฉยๆเถอะแล้วใจมันจะตั้งมั่นขึ้นเองเป็นธรรมชาติเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีพระองค์หนึ่งนะพระองค์นี้มาเรียนกับหลวงพ่อสักสองปีแล้วท่านมาบอกบอกท่านนะ่ะไม่ใช่ท่านมาบอก อันนี้ดีเลยนะนี้ใช้ได้ละพอนาเป็นแล้วบอกเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันธรรมดาผมพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วนะพยายามมาทุกวิธีแล้วมันไม่สําเร็จหรอกอันนี้รู้เฉยๆธรรมดาไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้ของมันเองนะอันนีไม่เจตนาจะรู้แต่รู้ได้เองเพราะว่าพยายามรู้มาเยอะแล้วแล้วจนกระทั่งหมดความพยายามหมดความจงใจอ่ะรู้เองธรรมะจริงๆง่าย ธรรมะจริงๆเนี่ยเราต้องการเรียนให้เห็นความเป็นธรรมดาของกายความเป็นธรรมดาของใจอย่าไปทำให้ผิดธรรมดาสิพวกเราที่ภาวนาแล้วไปไม่รอดนะเพราะชอบบังคับกายบังคับใจกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งผิดธรรมดาตั้งแต่เริ่มต้นรู้ไปธรรมดาธรรมดานี่ดูมันไปตามธรรมดาดูว่าธรรมดามันเป็นยังไงธรรมะก็คือธรรมดานั่นแหละ จนกระทั่งเราเข้าใจความเป็นจริงธรรมดาของกายของใจนี่เรียกเรื่องรเรารู้ทุกขสัตว์แล้เข้าใจนะเราจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจมีกายมีใจไหมมีความทุกข์มีอยู่ไหมมีกายกับใจอย่างเป็นทุกข์กายกับใจของพระอราหันต์ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหะโดยธรรมชาติ ข, ของขันนะแต่พระอราหันต์ไม่ทุกข์ความทุกข์มีอยู่ขันมีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกขนะ์ไม่มีอะไรย้อมใจได้ไม่มีอะไรย้อมจิตใจได้ นั้นอยู่ที่ว่าเรารู้กายรู้ใจได้แจ่มแจ้งไหมนะถ้ารู้แจ่มแจ้งนี่ก็รู้รู้ทุกข์สัตย์ละพอรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเราคืนกายคืนใจให้โลกไม่ไปขี้ตู่หน้าด้านเอามาเป็นของเราพอคืนไปเนี่ยสมุทัยคือตัณหาเนี่ยจะขาดอัตโนมัติตัณหาคือความอยากอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ ตัวหลักของความอยากก็คืออยากอยู่แค่เนี้ยอยากอย่างอื่นเป็นตัวประกอบนะอยากได้สาวคนนี้มานไก็เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีความสุขถ้าอยากได้สาวคนนี้มาเพื่อเราจะได้ทุกข์มากขึ้นมันจะมาเป็นแม่เราอีกคนนี้ก็คงไม่อยากหรอกเห็นไหมเนี่ยที่เราอยากนะก็คือเราอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้าคืนกายคืนใจให้โลกแล้วความอยากจะไม่มีห จะอยากไปทําไมมันเป็นของโลกมันไม่ใช่ของเราเห็นไหมงั้นรู้ทุกข์แก่แจ้งเมื่อไหร่นะสมูทัยจะถูกละอัตโนมัติคือไม่เกิดขึ้นอีกเลยงั้นพระอราหันเนี่ยไม่ต้องประคองรักษาจิตนะตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะพระอราหันเนื้อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วทันทีที่ตัณหาดับสนิทไม่มีขึ้นมา น, ะนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลา แต่เราไม่เคยเห็นพราะใจของเราถูกตันหาผลักดันให้ดิ้นรนให้ปรุงแต่งเราเลยไม่สามารถเห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่พ้นความดิ้นรนพ้นความปรุงแต่งได้เมื่อไรใจเราปราศจากความดิ้นรนปราศจากความปรุงแต่งเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราจะเห็นนิพพานซึ่งพ้นความปรุงแต่งพ้นจากความทุกข์อยู่ต่อหน้าต่อตางั้นอย่างพระละหันเนี่ยนะนึกถึงนิพพานาเมื่อไรก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตา พระอรหันต์เห็นนิพพานตลอดเวลาไหมไม่ใช่นะบางครั้งก็ต้องไปเห็นอารมณ์บัญญัติบางครั้งก็รู้รูปบางครั้งก็รู้นามบางครั้งถึงจะรู้นิพพานนะไม่ใช่ไปอยู่ในนิพพานตลอดเวลาเข้าใจผิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใจของเราไปค้งางว่างว่างนิ่งนิ่งตลอดเวลาแล้วบอกอยู่กับ น, นิพพานตลอดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพึงรู้ไว้เถอะว่าอรหันต์ปลอมอาหันอย่างนั้นยังมีหันเข้าหันออกนะไม่ใช่ของจริงหรอก การที่เราสามารถรู้ทุกจนกระทั่งแจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทยัยแล้วเห็นนิพพานได้นั่นแหละเรียกว่ามรรคละ่ะเนี่คือใจความทั้งหมดของอริยสัจ4ี่นะพวกเราศึกษาแล้วก็ทรงจําไว้มีหนังสือมีอะไรไว้ให้อ้างอิงนะอย่าปฏิบัติออกนอกรู้นอกรอยของการรู้ทุกการปฏิบัติมีแต่การรู้ทุกเท่านั้นคือรู้กายรู้ใจตางความเป็นจริงไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่น ให้คอยฝึกไปอย่างนี้นะวันหนึ่งจะได้รับดอกผลของธรรมะถึงยังไม่บรรลุพระอราหันต์ในชีวิตนี้ <c oughs> ก็อาจจะได้โสดาสักทาคานาคาอะไรเป็นไปได้ที่จะได้ไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้นะแล้วขณะที่ยังไม่ได้โสด า, <c oughs> า, า ก, ก็อย่ากังวลตลอดเวลาที่เราจเจริญสติอยู่นี้ เราได้รับรางวัลของชีวิตอยู่แล้วเรามีความสุขมีความสงบในชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลายิ่งรู้ทุกยิ่งมีความสุขนะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยเรามีความสุขตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วอนาคตเรากําลังมีความสุขที่ยิ่งใหญ่คือนิพพานรออยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรวิเศษเท่านิพพานเลยนะเป็นบรรมสุขที่แท้จริงไม่ใช่นิยายหลอกเด็กผู้ปฏิบัติวันหนึ่งก็จะได้รับ เข้าไปถึงได้นะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้เอเชิญไปทานข้าวไป